เราไม่มีของเราจะไม่มาจากประตูไหนนี่สังขารศูนย์ในงานสองผู้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงก็ข้ามทะเลหลงเท่านั้นงา น, นข้ามทะเลหลวงด้วยความไม่หลงจะข้ามด้วยเครื่องบินมันข้ามไม่ได้ต้องข้ามด้วยปัญญาปัญญายปิสุทธิ์ติบุคคลจะบริสุทธิ์ก็พระปัญญาปัญญาโลกัสมิพัชโชโตแ ส, สงสว่างเสมอโดยปัญญาไม่มี เมื่อปัญญาสูงศีลสมาธิปัญญากขมารวมอยู่ที่ปัญญาด้วยเพราะปัญญาเป็นหัวหน้าของศีลและสมาธิเมื่อปัญญาฉลาดศีลและสมาธิก็สูงขึ้นไปเป็นลําดับเพราะปัญญาเป็นหัวหน้าทำทุกหมวดเมื่อปัญญาแก่ก้าแล้วอวิชชาตัญหาอุปท า, านก็แตกกระเจิงเลยไม่ต้องเรียงแบบก็ได้ไม่ต้องเรียงแบบว่าอาวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามโลกดับอายตนะดับ เวทนาตันหาอุปทานดับภพบดับชาติดับไม่ต้องเรียงแบบที่พระองค์เรียงแบบก็เพราะเหตุว่าให้สมภูมิพระองค์เพื่อให้เราเข้าใจชัดปฏิบัติไม่หวังเพื่อพ้นทุกข์ก็ค่ายกับว่าฟันไม่ไม่ถึงแก่นพระเจ้าดาวันให้ทานรักสาศิลนภาวนาก็หวังเพื่อพ้นทุกข์เท่านั้นไม่ได้หวังงานอื่น ไม่ได้วง า, าวงย่าราบวางยศวางสรรเสริญอะไรถ้าวางราบยสศสรรเสริญจะปัญหามันเมีมากทําไมจึงหวังอย่างนั้นก็พระบารมียังอ่อนอยู่ก็จําเป็นก็ต้องหวังอย่างนั้นถ้าบารมีแก่กล้ามาแล้วก็ไม่หวังอย่างนั้นเพื่อเพิ่มทุกโดยส่วนดวีในวัฏสงสารเลยถ้าบารมีแก่กล้าแล้วพระนิพพานก็บวกพระนิพพา น, านจะมาบวกสังขางไม่ได้ใครเป็นลูกพระ น, นิพพานก็พระนิพพานเท่านั้นลูกพระนิพพาน ใครเป็นผู้สวยพระนิพพานก็พระนิพพานเท่า น, นั้นเสวยพระนิพพานสังขารจะไปเสวยไม่ได้บุคคลจะไปเสวยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะพระนิพพานพ้นจากทัจากบุคคลไปแล้วฟาโครูไปจนไม่มีเที่ยหมายพระนิพพานถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนๆยังไม่ใช่พระนิพพานเต่ามันขึ้นน้ำก็ได้มันลงน้ำก็เป็นถ้ามันไปเล่าให้ปลาฟังปลาก็บอกว่า เป็นเหมือนน้ำอยู่ที่นั่นไหมไม่ใช่ลงมันก็ปฏิเสธเต่าเพราะมันขึ้นน้าก็ได้ลงน้ําก็เป็นเหมือนตมเหมือนโคลนอยู่ที่นั่นไหมไม่ใช่เหมือนจอกเหมือนแหน่ที่นั่นไหมไม่ใช่เต่ามันเล่าให้ฟังตามันก็เคยอยู่แต่น้ำมันก็เอาแต่หน้ามาเทียบฉันในกรณีเมื่อเรายังไม่ถึงพระนิพานเราก็บอกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นแหละถูกไหม ถ้าเราก็เอาแต่สิ่งที่เราเห็นมาเทียบปลาก็เล่าเอาแต่สิ่งที่เห็นมาเทียบเพราะเต่ามันขึ้นบนบกก็ได้มันก็เล่าให้ปลาฟังปลาก็มาถามมันที่มันอธิบายให้ฟังปลาก็ไม่เข้าใจเหมือนอย่างนั้นไหมเหมือนอย่างนี้ไหมยอยู่ย น, นะเหมือนที่ใต้ขอนนั่นไหมเหมือนอยู่ที่ตุมที่โคนนั่นไหมเหมือนใต้จอกใต้แห น, น้นไหมไม่ไมไ ม, ไม่อยู่อย่างนี้นฉันในก็ดีเมื่อท่านพูดพ้นแล้วมาเล่าให้เราฟัง เราก็ส้ำเนียกแต่สิ่งที่เป็นสังขารเพราะจิตของเรายังไม่พ้นสังขารยังยึดมั่นถือมั่นอยู่เราก็ไม่เข้าใจรสของเกลือเป็นยังไงรสเค็มของมันเป็นยังไงครับเออลองเกีบดูสิเป็นยังไงรสเค็มของมันตอบถูกใชรสเค็มของมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อธิบายไม่ถูกก็ต้องคนนั้นก็ต้องกิบดูชันเลยก็ด ผู้อยากเข็นพระรหารก็ต้องเป็นพระรหารเชี่ยก่อนผู้อยากเข็นพระสสดา์วันก็ต้องเป็นพระสวสดา์วันเชี่ยก่อนผู้อยากเข็นพระสักคาค า, ามีก็ต้องเป็นพระสักคาค า, ามีเชี่ยก่อนผู้อยากพ่นจากกิเลตก็รู้จักพ่นจากกิเลกก็ให้พ่นจากกิเลสเชี่ยก่อนผู้อยา ก, จกเจรูเผ็ดเข็มหรือเปรี้ยวหวานก็ต้องกีบ ด, ดูเชี่ยก่อนผู้อื่นผู้ใหฟังก็ไม่เข้าใจอีกอันเดียวกันเลื่อมใสใ น, นพระพุทธศาสานาขนาดเดียว ยังยินดีกว่าเริ่มสายในโลกทั้งปวงล้านล้านคณะจิตแล้วลึกถึงพุทธโธคําเดียวก็ยังดีกว่าแล้วลึกถึงสิ่งอื่นตั้งล้านล้านคณะจิตหนึ่งนอกากาพุทธศาสนาแล้วลึกถึงพระุทธศาสนาขณะจิตเดียวเท่านั้นจะเป็นทานวัดศีลวัดหรือภาวนาวัดก็าตามยังดีกว่าแล้วลึกถึงอันอื่นล้านล้านคณะจิตอีกด้วยนั่นมีคุณค่าต่างกันเอาล้วนะที่นี่นะสัพโรคาเณรมุตโต สัพสันตาภาวัตชิโตสัพเพระมติกันโตนิพุโตเจตวังภาวะสัพพิตโยยวัตสันโตสัพพทุโขสัพพพโยสัพพโรควมิรัตจตมาเตภาวัตตวันตราโยสุขีทีคารโยโกทวะอภิวาธนสีนิสานิจังวุฒาปิการโยกาตาโรธรมาวัตทันติอาโยนโนสุขังพระลังพระหันสี่จำพวก สมัยสัมพุทธะอรหันต์ประเจกพระอรหันต์สาวกสาวิกาอรหันต์โลกุตระมีหลายจำพวกโสดาบันโลกุตระสกคาคามีโลกุตระอนาคามีโลกุตระอรหันต์โลกุตระอรหันต์สาวกสาวิกาพุทธสีจ่จำพวกสมัยสัมพุทธะจำพวกหนึ่งพระเจกพุทธะจำพวกที่สอง สามภพุทธะจำพวกที่สามสาวิกาพุทธะจำพวกที่สี่พระอหันต์มีสีจ่จำพวกชุคเขยปั จ, จโกเตวิชโชชฉรปิโนโดปฏิสัมพิทัปโตพระสวัสดิบาลมีสามจำพวกเอกภพีโกลังโกละสตกคตุปธรร ะ, ะพระสกคตาคามีมีจำพวกเดียวพระอนาคามีมีห้าจำพวกอันตระปณิพนิพ า, า น, นาในระหว่างอายุยังไม่สันถึงกึง อุป Hatha p a r i n i p a ท่านผู้จ่าย p a r i น i p a l a ต่อเมื่ออายุจวน n กึงจะถึงที่สุดแล้วสังขารละ p a ิ i n i p a ท่านผู้จ่ายป a r i n i p a l a n ด้วยใช่ความเพียนแล้วเองอสังขารละ p a r i n i p ผู้จ่าย p a r i n i p a l a ดยไม่ใช่ความเพียนนักองค์ประเภทที่ห้าอุทังโสโตอา น, นิกะถักถามีผู้มีกระแสในเบื้องบนขึ้นไปสู่อการที่ถัาพบพระอาคาเมบางจำพวกไปเกิด อวิหาออกจากอวิหารไปเกิดอัตปาออกจากอัตปาไปเกิดทุตสาออกจากทุตสาไปเกิดทุตถีออกจากทุตถีไปเกิดอกาิิธกาบางจำพวกอวิหาไม่เกิดพระอนาคามีอุทังโสโตุข้ามอวิหาไปเกิดอัตปาเลยไปเกิดทุตสาไปเกิดทุตถีไปอากาิิธกาและปณิธานในภบนั้นบางจำพวกอวิหาอัตปาไม่เกิดข้ามไปเลยไปเกิด ชุดศึกษาออกจากชุดศึกษาไปเกิดทุดศีออกจากทุดศีไปเกิดอาการนิสกาหน้าปานิสเนปานในพบนั่นบางจำพวกอวิหาอัตปาชุทศึกาไม่เกิดข้ามใสซะไปเกิดชุทศึกษาออกจากชุดศึกษาไปเกิดทุดสีรออกจากจากทุดศีไปเกิดอาการนิสกาบางจำพวกอวิหาอัตปาชุดศึกษาชุดศีไม่เกิดเอ่าชุดศึกาไม่เกิดไปเกิดทุดศีล้วไปเกิดอาการนิสกาเลยก็เข้าสู่ปรานิสเานซะนี่เรียกว่า พวกอุทั ง, สงโสตุกตอนนี้ถกกะคาเมให้เข้าใจว่าสีประเภทเบื้องต้นปฏิเนปานในในภพที่เกิดนั่นเองสีประเภทเบื้องต้นกําหนดด้วยอายุสีประเภทเบื้องต้นกํก า, ททานกหนดด้วยความเพียรประเภทชุดท้ายต้องไปเกิดภพสูงขึ้นไปจนกว่าจะถึงชั้นอกนากานี้ถักกะภพแล้วจึงปฏิเนปานในภพนั้นสานานะอื่นๆไม่ด่าดื่นถมเถียงไม่มีสุพจปโนไม่มีอุชุไม่มียายะไม่มีสามีเลย ไม่ได้พูดทับถมท่านผู้ใดพูดตามเป็นจริงเพระบรมศาสล า, า ย, ยืนยันอย่างนั้นผู้ที่เขาไม่ประมาทยันยันวิธีของเขาเขาจะเป็นสุภจรปโนชโยยายะสามีบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าในมหาพรติพานสูตรสุภะตะประาปกาศครูองค์ท่านองค์ท่านก็ตอบว่าอย่าเลย อ, อย่าเลย อ, อย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวหรอกเราพูดตามเป็นจริงของธรรมเราเคารพธรรมยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้น ศาสนาอื่นๆไม่มีสุภจรปโนไม่มีอชุกไม่มียายะไม่มีสามีเลยไม่ถึงโลกุตระจะถึงโลกุตระยังไงล่ะเพราะตัวของเขาที่เป็นหัวหน้าเขาก็เป็นโลกีเราดีๆนี่เองนี่เราตถาก็เป็นพระศาสนาเต็มภูมิแล้วพระบรมศรร า, าสวรรวานาพระสวัสดิวันสกทาคามีานาคามีอาหารหันมีในศาสนาพุทธเราสิ่งเดียวเท่านั้นเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมตามเป็นจริงของธรรมพระบรมศาสนาทรงสรรเสริญอย่างนั้น ทรงพูดอ่างนั้นอย่างอืงอย่างพึงผายเลยแม่ขั้นข้ามสีหาณทางนะทางเตะเปียงชี้ห้านาดแม่ขั้นข้ามพระบระมศาสนาบริสซาสุริสาระทาในบริษัททั้งหลายพรหมจักรังพระวัดเตนติให้พรหมจันท์เป็นไปโลกเก อ, อุปติวัติยังให้โลกเป็นไปด้วยวุเปตาว<ม>ุฒธรรมเมยิพระพุท ธ, ทธเจ้าทั้งหลายได้เกิดขึ้นแล้วเพื่ถึงใจสระกรมมีคติเป็นสอง ไม่มนุษย์ก็สวรรค์ผู้ไม่ถึงใจสนธนคมมีคติเปสองไม่สัตติระชานก็เปรตอสุรกายและสัตว์นรกพระบรมศาสตราโหสเอกถายไว้แล้วพูดตามเป็นจริงพระบรมศาสตราไม่มีอคติทั้งสี่ลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกสันทารคติลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติลำเอียงเพราะเขาเรียกโมหาคตินำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติอคติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤติ พระบรมศาสดาไม่มีอคติเลยพูดตามเป็นจริงเช่นพระโมคขลาสาลีบุตรก็มายินดีเรื่อมใสพระอัศกิิหรือธรรมะของพระอัศกิิเสียก่อนจึงสําเร็จพระสวสดาบรรได้ออกจากสนชัยนาฏบุตรมาเป็นเรื่องอย่างแล้วนั่นสนชัยนาฏบุตรมีบริวารห้าร้อยคนโมกขลาสาลีบุตรมาเรื่อมใส่ศาสนาพุทธออกจากศาสนาอื่นมาแล้วจึงถึงพระสวสดาบัน ศาสาเหตุผลพอด้วยที่ห้ามมาให้เชื่อด้วยตำลาตำลาที่ควรเชื่อก็ต้องเชื่อสินั่นถ้าไม่เชื่อตำลาจะมีไว้ทำไมและเหตุผลก็พอด้วยทำไมอาราล า, าบทอุตกะดาบทรามาบทจึงไม่สามารถได้พระสวัดาวันก็เพราะเหตุว่ายังไม่ถึงไตรสนาคมก็ไม่สามารถถึงพระสวดวันเพระไตรสนาคมยังไม่มีเหตุฉะนั้นพระบรมศาสตร า, ศ า, ศา จึงมุ่งจะไปเทศนาเอาก่อนแต่ท่านเส้นลมปานไปเสียเจวันแล้วเสียใดยหนาะเสียใดยหนอะถ้าเรามานี่ทันกับท่านท่านก็จะถึงพระสวสดา์วันถึงอย่างนั้นก็แปดหมื่นสี่พันกับภาวนาตายคาภาวนาเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่ถ้าแปลเป็นไทยเป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่บได้กรรมอยู่ไม่มีการวันก็างคืนก็ตายคาอันนั้น ตายคาอารมประจิตก็ไปเกิดในพมรรคแปดหมื่นสี่พันกับถ้าหมดอณิสงก็จะมาได้เป็นอะไรต่ออะไรในวัฏสงสารอีกสัตติรัชฌานก็สามารถจะเป็นได้เพราะยังไม่ถึงพระสวสดา์บันยังไม่ถึงพระสสดา์บันสามารถเป็นสัตติรัชานเปรตอสุรกายได้ถ้าถึงแน่จะตายในเวลาไหนก็ไม่ได้เป็นถ้ากระทาคามีนาคามีอรหันต์ก็ยิ่งไปใหญ่ละยิ่งละเอียดกว่านั้นนั่นเหตุฉะนั้น เมื่อไม่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมอย่าไว้ใจในวัฏฏะสงสารเลยเพราะยังเป็นที่พึ่งอันไม่กเกษมจะำจำาจําใจพี่หลอกจบก็ตามถ้ายังเสียดายอยากรอดละเมิดสิ้นห้าถ้ายังเสียดายอยากกระเรียอบายยมุกดูมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันมันก็เป็นพระโสดันโสเดาโสดาจันทร์กน <laughs> ันี จะนั่งภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำก็ตามจะเหาะเหินเดินอากาศไปเหมือนพระเทวทัตก็ตามก็ยังไม่ถึงพระโสดาบันพระเทวทัตเดินเหาะเหินเดินอากาศไปได้เนอะเพราะเป็นโลกีถึงอย่างนั้นก็ยังทําอนันตริยกรรมห้าอยู่เพราะยังไม่ถึงพระสดาบันถ้าถึงพระโสดาบันแล้วไม่สามารถจะทําอนันตริยกรรมห้านั่นนั่นเรื่องพระพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่มาสงสัยเอง ในโลกเราไม่สงสัยเลยเมื่อไม่สงสัยโลกความยินดีในโลกก็คลายออกถ้าความสงสัยว่าโลกจะมีความสุขอยู่เท่ า, มาเมล็ดงามันก็ไปพระนิพพานไม่ค่อยไม่ยังมาทันได้สุขของคืหัสสุขเกิดแต่ความเมพย์สุขเกิดแต่จาทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เป็นศีลสุขเกิดแต่ทํางานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้ไปพลันแตกสลายสุกขใน โลกุตระสุขพระสวสดาบาลสกทาคามีนาคามีอรหันต์บานหน้าไม่เสื่อมเลยนะจนถึงพระเนรพานนั่นไม่ถอยหลังเลยนั่นเป็นสุขในโลกุตระสุขในโลกีมันไม่มีถ้าหากว่ามีในสุขในโลกีพระอรหันต์ก็ข้ามความหลงของตนไปไม่ได้เพราะยังจะมาติดโลกอยู่นั่นนั่นเห็นชัดด้วยปัญญาอันชัดทัศานานุตริยะเห็นเยี่ยมแล้วปฏิปทานนุตริยะปฏิบัติเยี่ยม วิมุตตานุตยะก็พ้นเยี่ยมท่านก็ไม่สงสัยเลยนั่นนั่นนั่นนั่นเอาละทีนี้พูดน้อยไม่พออธิบายพูดหลายพูดหลายหมวกหมูถูกไหมพูดแต่คนเดียวมันเบื่อไม่ให้คนอื่นพูดเอาละทีนี้หรือท่านพูดอะไรจะพูดก็พูดซะให้โอกาสมันจะเป็นพูดแทนขอให้ผมพูดบ้างเดี๋ยวลุกขึ้นตำรวจก็จับลง ผมก็มีสิทธิ์จะพูดไห้ผมพูดพูดแทนะเขาแย่งกันพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดก็มีเราก็อยากพูดอยู่แต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรพูดก็มีจะประกองวิธีไหนก็ประกองไปเถิดถ้าทิ้งคําสอนของพุทธศาสนาไปไม่รอดไปไม่รอดไปไม่รอดไปไม่รอดถ้าทิ้งคําสอนขอพุทธศาสนาะนะการตั้งก้นไม้ก้นหมูก้นพักก้พวกไม่มองดูคําสอนพุทธศาสนาแล้วมั น, นไปไม่รอดผู้ที่เขาตั้งบัญญัติว่าไม่มีบุญไมีบาปเขาไปรอดไหม นั่นแต่ก็เจอกันไปแล้วนั่นนั่นนั่นคุณพ่อคุณแม่ไม่มีบาบไม่มีบุญไม่มีตายแล้วศูนย์เข้าไปได้ไหมแตกก็เจอกันแล้วนะ่ะเราไม่อยากพูดว่าเดี๋ยวเขาเอาให้นัดเดียวก็ตายเออหลวงปู่นี่ทำไมพูดมากอ่ะเอารางวัลให้ซักนัดเนี่ยเซ็จเลยถูกไหมแต่เราพูดตามเป็นจริงเราก็อุทิศ เลยเลือดทุกบทเจ้ากุทิศ่แล้วพูดจาเป็นจริงถ้าจะพูดก็ใก้อำนาจวาสนาเขานี่เรียกว่าพยาคติแล้วยังเพราะความกลัวเรียกพยาคติถ้าจะพูดก็รักใคร่มันสงสารมันไม่อยากพูดเรียกว่าชั้นทาคติเออเรียกว่าฉั้นทาคติรังเกียรมันมันจะพูดถูกสักเพียงไหนก็ตามมันจะปฏิบัติดีสักเพียงไหนก็ตามไม่ให้เกียรติมันเรียกว่าโทสาคติ เพราะรับรพราะโทสาคติครบเรื่องอันนั้นไม่แตกไม่รู้ว่าผิดหรือถูกมั น, นเรียกว่าเรียกว่าโมหคติอันนี้คติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤติพระบระมศาสดาสอน้นมติสิ่งไหนที่ไม่สอนไม่มีเลยใครจะพูดตา้มไหลไฟดับก็าตามก็ไปซ้ําคําเก่าของพระบระมศาสดาทางนั้นเพราะท่านพูดมตแล้วใครเทศดีเทศเก่งสักเพียงไหนก็ไปเริ่มก้างพระพระบระมศาสดาเองเองพราะท่านเทศมดแล้ว ใครจะเป็นพระทหารขึ้นในวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ตามก็ไปเลี่ยมตั้งพระบรมศาสดาหรือพระทหารทั้งหลายเพราะท่านสำเร็จก่อนแล้วใครจะลงนรกก็ตามก็ไปเรียมตั้งท่านเพราะท่านลงก่อนแล้วนั่นสิ่งนั้นที่ท่านไม่ประสบการณ์ไม่มีเลยเหตุฉะนั้นจึงเทศอย่างผึงผายเลยเรื่องอบายมุกเราเล่นมาหลายชาติหลายภพแล้วมันไม่เจริญนั่นท่าพูดอย่างนั้นมันเป็นทางเสื่อมได้ผ่านมาแล้วไม่ใช่ไม่ได้ผ่านะ แต่พวกเราคำกำลังเล็มก้างในทางผิดแต่ผู้ไม่เล็มก็ไม่หรอกผู้ฟังถามย่อมได้ฟังถึงที่ยังไม่เคยฟังสิงใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องห้าคิผู้ฟังย่อมผ่องใสแสดงทำไปโดยลาลับไม่ตัดวัดแห้ขาดความผู้เป็นองค์ธรรมกรถึกแสดงทำไปโดยลาลับไม่ตัดรัดแห้ขาดความ อ้างเหตุผลแนะนำผู้ให้ผู้ฟังเข้าใจสามตั้งจิตเมตตาปัตตานาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสีไม่แสดแงธรรมพรเห็นแก่ร่าห้าไม่แสดแงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่นไม่ได้เสียดสีผู้ใดพูดตามเป็นจริงนั่นถ้าจะพูดอะไรก็เกงว่าจะผิดแต่คนที่ไม่ถึงธรรมผู้คนดีก็สืบอนาศาสนาไปไม่ได้นั่นนั่น น, นถูกไหมนั่นจะพูดอะไรก็เกงว่าจะเกงผิดใจคนขี้เล่า ผู้ไม่กินเล่าก็สืบศาสนาไปไม่ไดน้นัถูกไหมนั่นคนคนหนึ่งในสังคมหนึ่งหนึ่งมีพูดถึงธรรมอยู่บ้างก็เป็นที่อบอุน่นในสังคมใดจะมีคนกีร่าก็าตามถ้าเป็นคนไม่ ช, าช้าทิฏฐิไม่มีบาปไม่บุญแล้วก็ไม่เป็นเครื่องอบอุน่นใช่ไหมนั่นในโลกนี้ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหะผู้เลิศกว่าเพื่อนทั้งปวงในศาสนาอื่นก็ยังเป็นเครื่องอบอุ่นอยู่นั่นนั่นเอาละทีไป พูดไม่หยุดสองกันสามกันไปบรรดาบิดาของเราสิ้นลมฟานพรุ่งนี้นะพ่อจะไปอย่ามารบ ก, กวนนะพ่อดื่มน้ำเวลากวนงสว่างพ่อจะไปพ่อรู้จักน่พ่อเดี๋ยวพ่อจะภาวนา น, นอนตะแคงข้างขวาเลยหายใจ ไม่เพ็กเลยแต่หัวค่ำจนตลอดรุพอถึงเวลานั้นไปเลยเงียบเลยไม่มีอักไม่มีแอกเลยคนเราเก่งสักเพียงไหนก็ตามก็ต้องมีอักอยู่ทีนี้บ่างบางทีก็อย่างนี้ก็มีบางทีก็อย่างนี้ก็มีบางทีก็ตาทำอย่างนี้ก็มีบางทีก็รูจมูกเงียบก็มีอันนี้เงียบเลยวม่ไดมัณฑาก็เหมือนกันมัณฑาตายคาปวมนาพุโต สองพันสี่ร้อยแปดสิบหกมันดาไปไมิดาไปก่อนนั้นเราเป็นพระอยู่สองพันส่ร้แปดสิบหกเราไปเป็นพระตายคาภาวนาพุโทโธมันามันดาภาวนาพุโทโธพุธโทโธเนอใครเป็นผู้ว่าพุทธใครเป็นผู้ว่าโทก็ตามอยู่ที่นี้จะไปแท่งออกนอกนลืหวัวเรภาวนาพุโทโธประมาณห้านาทีไปเลยมันดามีหูทิพย์ใกล้จะตาย มีชีวิตยอยู่ถ้าไปบอกข่าวเขาจะทําบุญที่ไหนที่ไหนเขาไปบอกขอให้แม่แพงไปบอกเพื่อนให้จะทําบุญวันนั้นวันนี้ทีนี้แม่ก็ไปตามบ้านที่ลูกสาวละอายไปไปขี้ข่าเขาเขาบอกไปที่ไหนก็ไปนั่นแหละหัวทิพตาทิพลูกเ อ, อ๋ยหัวทิพ ้ไปบอกเขาทำบุญเขาบอกให้ไปเล่าบอกญาตพี่น้องให้ก็ไปให้เขาพอใกล้จะตายมาใครพูดอยู่ที่ไหนได้ยินมดไหมพูดเรื่องนั่นนะพูดอยู่ค่อยๆพูดเรื่องนั่นนะได้ยินเลยมาดาของเราหูทิบ์จริงๆเห็นกับปัจจุบันเลยพี่ชายของเราใกล้จะตายนักมืออยามายามาเอามือที่ออกเนอ พี่เขารอกตายมันเป็นของกิ่งยามาผูกยามาผูกมือพี่พี่ลบไปแล้วถ้ามีชาติไม่พบอยู่เราจึงเราจึงพบกันในอนาคตไม่ใช่ถ้าไม่มีแล้วก็แล้วไปในชาติอนาคตตายคายนอกมือพี่ชายผู้ชื่อทองดีเป็นผู้ใหบาทลูกกาลังเป็นเป็นบ่าวเป็นสาวเราเป็นลูกชุดท่อลูกแปดคนเราเป็นลูกชุดท่อ เราเคยได้ทำชาภานกิจวิดามารดาพี่ชายพี่สาวตลอดถึงภรรยาเราใช่นี่หมดเพราะเราคนเดียวยังลูกชายคนเดียวลูกชายมีสามคนลูกสาวมีห้าคนไปหมดแล้วเดี๋ยวยังเหลือแต่เราคนเดียวเราแปดแล้วเราแปดทเอ็ดแล้ว4ี่ปีจึงร่วมการข่าวหนึ่งเป็นระยะระยะแปดคน แหม่จมันก็สามสิบสองถ้าพี่ชายพูดมาปียังอยู่มันก็ตั้งร้อยกว่าร้อยกว่าเดี๋ยวนี้เราเตรียมตัวตายแล้วขยากจะไปทางรัดเวลาจะตายมาเวลาจะใกล้จะตายมาปลาย้ากดเห็นแม่้ำเห็นแม่น้ำเห็นลำธารเสียงอะไร เป็นไงนาเห็นละำธารตายเวลานั้นก็ไปเกิดเป็นสัตติรชาเวลาใกล้จะตายมาพ่อเห็นแสงไฟแดงโล่ยังไปทําพลิกไปทางอื่นก็ตายในเวลานั้นก็ไปตกกระสุนเวลาใกล้จะตายมาเห็นธารนา้ําเห็นถนนทางยังไปทําพลิกทางอื่นก็สิ้นลมปราณในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นสัตติรชา เวลาจะตายใกล้จะตายเห็นคันของมารดาแล้วยังไม่พิกจิตไปทางอื่นเห็นาคากันอยู่แล้วก็สิ้นลมปราณในขณะนั้นก็ไปเกิดในคันมารดาเวลาใกล้จะตายไปเห็นวิมานไปเห็นเทวบุตรเห็นเทวาดาหรือไปเห็นวิมานก็สิ้นลมปราณในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวบรเทวาดาหรือในชั้นสวงสวรรค์เหนือผม ในเวลาใกล้จะตายไปเห็นร่าง ก, กายไปเห็นลมหายใจเข้าออกนี่ก็พี้ยงจิตเป็นตาสักว่ารู้เป็นตาสักว์่าเห็ น, นไม่ยินดีในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยก็เข้าสู่พระนรพลานไปซะเพราไม่ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันใดๆทั้งสิน้นไม่ติดอยู่ในผู้รู้และผู้ไม่รู้แล้วสูญ ส, สิ้สนไม่มีวิญญาณปัจจุติสเทีไปคล้องอยู่ เป็นแต่สายวิรูปเป็ น, นสายวิเห็นก็เข้าสู่พระเนรพลไปซักเพราะไม่มีอุปท า, านใดๆอันนั้นเป็นเรื่องของพระอรหาร น, นตนะใจโลกธาตุเราเข้าใจว่าเป็นของเก่าหรือของใหม่ก็ของเก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมานั่นเองนั่นนั่นตาหูจะมูกเลี้ยงตายใจเป็นของใหม่และของเก่าก็เป็นของเก่าที่เราเคยทั้งหลายลงมลงมาแล้วนั่นเองนะ เรื่องกินเรื่องถ่ายป เ, าเป็นของใหม่หรือของเก่าก็เป็นของเก่าที่เราเคยกินเคยถ่ายมาแล้วนั่นเองนะ่นไม่ใช่ของใหม่พวกเราเราเดินมาคือเจ้าก่อไม่เราท่องเที่อวมาในวัดสายท้องสายมันมาแล้วในไตโลกรธาตุเลยนับคนนับแสนชาตินานชาติก็มีละในไตโลกระธาตุเทวโลกเราเคย ไ, ไปเหมือนกันพรมโลกพวกเราได้เคยไปเหมือนกันสวรรค์เราเคยพวกเราเคยไปเหมือนกัน นรกกเราเคยไปเหมือนกันสัตว์จิตรสารพวกเราเคยไปเหมือนกันเปแต่วิสัยสู้รกายพวกเราเคยไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่พระพานเท่านั้นถ้าไปถึงแค่นั้นเราไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้กลับเลยนั่นเหตุฉะนั้นจึงว่าเอสัตมวชนันโนเขาทำเป็นของเก่าเธอทั้งหลายอยากเข้าใจเ่าเป็นของใหม่เนอะพระบรมศาสราชั่วชีวิตชั่วครับหนึ่งคับหนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าข้าพระองค์บ้างขีพระองค์บ้างข้าพ่อเธอเก็บน้ําตาไว้ ชาตินโยต์ชัว่วครั้งหนึ่งก็มากกว่ามหาสมวศีมหาชวศ์พวกเธอทั้งหลายเราทั้งหลายในท่องเที่ยวมาในวัดตสองสาลถ้าพวกเราทั้งหลายจะเก็บกระดูกไว้เพียงหัวแม่มือเท่านั้นชัว่วครั้หนึ่งก็มากกว่าภูเขาหิมาะไหลมาให้อันตรธานไปเมื่อเป็นดังนี้เราทั้งหลายจงสลดตั้งใจเถิดอย่าเข้าใจว่าเป็นของใหม่เลยในโลกอันนี้พวกเราที่ท่องเที่ยวมานานแล้ว พระบรมสารีริกาแต่ละวันละบาทจะเป็นกิจกิรตะกวีกว็าตามไม่ทําให้สรดสังเวชในวัฏสงสารจะพูดจนน้ําไหลไฟดับก็าตามสู้พาสิทอันเดียวที่ทําให้สรดสังเวชในวัฏสงสารไม่ได้พระบรมศารีริกาคราวนี้เอว่างจริงๆแล้วไ ป, ไปเอวัางจริงๆแล้วสิไม่ต่ออีกหรอก น้ำกันฉี่กันแล้วนี่นเดี๋ยวก็ลงแล้วก็ขึ้นอยู่นี่ทีน่นี้เออป่ะที่นี่โคที่เห็นว่าบัตรเบอร์บอกเบีย้ยจะเป็นของเจริญมันก็มิจฉามิจฉาชิติเราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นมันก็มิจฉาอามิจฉาอาชีวะอีกด้วยมิจฉาสติอีกด้วยมิจฉาสมาธิอีกด้วย ใครตื่นว่าใครตื่นว่าใครตื่นว่ายึบอย่างนี้หรือใครยึบอย่างนี้ว่าถ้าใครตื่นเรียกว่าสมาธิไม่ดีถ้าอย่างนี้เชิงอะไรทุ่ตามตืนนน่นอย่างนี้เลยทุกอะไรตื่นเหมือนเนื้อสมังในป่า ผู้นั้นพนรตของเขาไม่เจริญสมาธิของเขาไม่แน่นี่ปัญญาของเขาก็ไม่ชำนาญเหมือนกันสติของเขาก็อยู่คนละฝากกับสัมปชัญญะทำอภิปการมาสองอย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติจะมีมากสักเพียงไหรก็าตามนั่นคือศีล น, นั่นคือสมาธินั่นคือปัญญาเลยสติเวมโตสเวสยโยดูมีสติ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 Blue ใจไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาจิตไม่ใช่เราเราไม่ใช่จิตทำไม่ใช่เราเราไม่ใช่ทำพิจารณาลงอสุภูอณาตาเรียกว่ามหาสติเหตุนั้นจึงมีสติออกมาทุกทุกกรรมฐานพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติชีลานุสติจารานุสติเทวานุสติอุปัตตานุส ต, ต nah, doncs, กิการเจตานุสติเมตานุสติอาณาปณะนุสติมีสติออกหน้าทุกๆกกรรมฐานกรรมฐานใดก็ตามเพ่งอยู่ในปัจจุบัน ศินก็ตัดสินลงในปัจจุบันสมาธิาตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันพูดมากพูดทําไมเพ่นว่าก็มากออกไปจากใจน้อยก็หายลงมาหายใจสิอืมถ้ารู้จักมากรู้จักน้อยละ่ะมากมันก็ไม่หลง Throw. น้อย ม, มันก็ไม่หลงเหมือนกันนั่นถ้ามันหลงน้อยหลงมากเพราะมันไม่ไม่รั่น้อยรู้วมากถ้ามันรั่วน้อยรู้มากแล้วน้อยมันก็ไม่หลงมากมันก็ไม่หลงมากก็มากออกไปจากใจน้อยก็น้อยลงมาหาใจ เราจะนับถึงล้านเมื่อก็นับถึงออกไปจากรักหน่วยเราจะย้อนมาเขาย้อนมาหารักหน่วยนี่เองนั่นหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านโกดติด่วเฉลียวติ่วมือหน่อยเพิ่งเหล่าแต่โบราณที่ติ่วเฉลยวติ่วเพื่อกาว่าโกดล้านเพินน่นแต่พระพุทธเจ้าของเขาหนับถึงอสงไข่ใไหมัระเจ้บาบันชาวโลกนับถึงล้านเมื่อนับถึงโกด สมัยสร้างพุทธการเขานับถึงกโกดตือติวสริวตือไปจนหอดพูดหลอดหอดเอาสอไขใคร่พูดคนดูถูกนี่นท่ากันว่าสั่งวัดสร้างว่าสั่งตายยังไงก็เรกกาก็เดียกแช่ไว้่านโว้ยไปเห็นหน้าเดียวโพดเทวะเห็นหน้าเดียวยังไงที่ข้างพุทธการขเขาเขาน่าวิสาขาสร้างทั้งนี่กระเป๋าเดียวล่ะยี่สิบเก้าโกดนี่เมื่อสวัตถีอยู่นี่สมมติน่ะ ชิดตะวันตกเฉียงเหนือน่าวิสาขาสางไตบ้านหา0อยขาธะนุขาทนุหนึ่งสี่ศอกไตบ้านไก่เมืองสวัวปะรนี่หาล้อยขาธนุขาธนุหนึ่งสี่ศอกก็ถ้ากรบะยี่สิบห้าเส้นถ้าคูณเข้ายี 29, ่สิบเก้าโกดโกดหนึ่งมันมีสิบล้านเอาล้านไปคูณยี่สิบเก้าดูสิจะเป็นกี่ล้านสิบเก้าเก้าสิบอทดเก้า สิบหนึ่งเป็นส да anyway ิบเป็น mm. ส <ata ut> ิบเก้าแม่นบอกร้อยเก้าสิบล้านแม่นบอกผู้กระเป๋าเดียวนั่นนั่นนั่นห้องจีดูทูบอกข้างพุทธการนั่นห้องจีบ่าวาสมัยสมัยนี้สร้างขระดกกรเดียบบอกมันเสียวเพิ่นบอกสร้างมากทลเออกระเป๋าเดียวเน้่ยนะห้องนี้สันห้อยแพ้ห้อยขอจะห้อยได้ห้อยซองเสียวซองขาวผู้ได้เห็นกัจักรเลนนี้ผลญาขอเงินนั่น เ่าจะประมาณว่รข้งของพระเจ้าเอาอยุ่ทั้งนี้ทะนเนี่ยเื่องสาวัตถีอนี่ยย่ทั้งนี้หน้าตาเป็นทเกษตรถีน่ะสาวาเชตตะวันธะมมหาญิหันมัดสีชิากดเอาโกดึงกัดซิบล้านจังหวมาแล้ว4ีชิพาเอาเอา1ิบไปคูณ4ีสิาู้ิบห้าห้าสิบทดค่าซิบสี่สี่ิบเป็นสี่ิ้า ส5รยหาสิล้านแม่ไงนั่นนั่นนั่นมูฮั่มผู้ไหนหรอเจียงปานนั่นวุไ้ไผเจยงก้อนนี่นันนั่นนันพันถัดาน่าคันว่าตีแต่หลวงปู่สีสางมากเออมาท่าไปว่าวมีบรนนังว่านอนผัดจมไผไปเอาก้นไปน้ำเอาดากไปน้ำอกอกออกจินไปน้ำเอาดากไปน้ำเอ า, เอาทองไผน้าไปกิน มันนี่ม้วนยูมันจินเห็ุอย่างไร น, นั่นสิปติย์ลบผู้ศรีสางร้ า, ายบ่อนั่นมันม่งไม่เหนไเหรอฮาขงพระเจ้าร้ายกว่านั้นเราแต่คนเดียวได้เหรอนี่โคทารามปาอ่ามนโคดนังอีกเยอะข้เนี่ยกุดาคาวปามหาวันว่านี่นบ่อึดจะขังพระเจ้านับเป็นล้านล้านก็โกรนี่เพิ่นพัฒนานี่เพิ่นพัฒนาทั้งทั้งวัตถุนิยมทั้งอุดมคติเพิ่นกับพัฒนาถึงพระสวสดบัสัาฆ่าไม่อาาราฆ่ามีอรหันเอา นั่นล่ะโม่ห่อโ่หอะไปพัฒนาตั้งแต่เลขแม่ น, ม น, นมบ่ะนะมีสรไสไปพัฒนาเลขแม่นบ่ะนั่นแลว้วเป็นมีสีเสียอายุโม่ห่อให้กระลุดเมื่อไปน้ากระลุดเมื่อไปกองแขนกองค้าโคง้งกระมึดลุกเ ม, มื่อไปไอันนี่ตุ้มหูตุ้มห า, ามันวัดไปวัดละโม่ห่อเออง้อควายไปเขาหมนพ่อแม่แจกไครแจกหน้าให้กระวัดไปวัดล่ะเพราะมั น, พ, มนพัฒนาเลขแม่นบ่นะเออนั quieres. ่น พัฒนาเราพัฒนาอบายามุกแม่นว่านั่นาพระพุทธเจ้าพัดเว้นเนี่ยเขาจะไปดูถูกข้ามพระพุทธเจ้าอ่ามพระพุทธเจ้ า, จ า, าลาบไร้ขยั้งนี่พระไปทั้งไรเขาออกเกียนนงําและดูพระอขอกคันช้าแล้วพระเพิ่งไปเที่ยวน่ะเขาออกเกียนใช้น้นาอ้อยไปหาล้อยเลียมผุนน้ำปนพระไปนั่นนั่น ข, ข้างทีประมาทบอกข้างพระเจ้าข้าไปดูทัวข้างพระพระเจ้าพระยแต่ตอกห อ, อยห้าเข า, าเ่อไได้เห็นนาเดียวอันนั้นต้นศาสนาพ่ท่านมีกุฏิวิหาระสมนั่นนะวางมัชิมการนี่ด้ฮนี่กุฏิวิหารมันเต็มไปเมื่อไหกะปัดชิมาการอันนั้นปฐมการก็แม่อ น, นั่นพรท่านในเหุหลายอยุังสันสกอนะนันนั่นาว่าได้เห็นนาเดียวอันนี้นพระไปมนต กองขี่อยู่จังสิว่าพระเด็ดเดียวมันกับวัตถุเลยฮัลโว่างสิพ่อเงายโนมกับไหว้เข้าอะไหววัดเทศเด็ดเดียวเดียวกันนี่เลยนะอย่างเช่นเทศเข้าเก่าเลยนะทันคารานเฮ้ว่าไกันเทศเด็ดเดียวเดียวกันนี่กับ่งดเลยวะให้พวกขานี่เขาไปยุ่งเนี่ำเนี่ยวะกัอัดดีดทกัถิ่มลูกระเบิดเข้าไปในหันวะฮัลโหลว่างสิวะนี่วหละเทศเด็ดเทเดียวว่าันเจ้ว กัาข้อ น, น้ามยุนี่1ิปีสิบสปีจะค่อยได้อันมูนี่เลยอ่ามันม่เอ า, าออขาขื่นหานน่างเลยรอดได้วัฒ น, นาคันว่าเราไม่เห็นแว่าเป็นภาคผู้นาง ม, ม่มาเนี่ยวัฒนาใส่โปรดออกยุสมือนี่ก็เพราะว่าข้อ น, น้ามอะไรวัฒนาห้องใหไปสอบซี่อยูหนิคันว่าเราสู่ห้องอะไรเนี่ยผาใบนออพูดยู่งจำไว้จังสียว่าเดียวเดียวสนาว่าคือ ก็ทเรามากพระพุทธเจ้าควรดอสเข้ามาที่เอกสําหรับเท่ามันเป็นมหาอะไรเนี่ยอายุมากเมื่อนุ่มๆอยู่ก็ต้อนเนื้อตามเชิงเขาให้เจ้าของเสมอมาต่อมามหาตัวนั้นแก่ลงฟันก็ทานกาลังหมูไม่ได้ขอให้ท่านนึกถึงความหลังบ้างนี่คือกันก็ต้องเจอบุญพบบุญอยู่ที่ใจผู้แสวงหาบา <g ül> ก็พระบาปอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ทําขึ้นกําไดใครก่อกาไดใครก่อ <G ül> ก็คือจิตใจนั่นเองเป็นผู้ก่อกขึ้นพระผู้เป็นเจ้าใจนั่ น, นเองเป็นผู้ทําขึ้นทําดีก็พระผู้เป็นเจ้าใจทําทําชั่วก็พระผู้เป็นเจ้าใจทําพระผู้เป็นเจ้าไม่มีอยู่ในดินฟ้าอากาศภายนอกพระบรมศาสดาก็สอนใจถ้าคนไม่มีใจพระพรมศาสดาก็ไม่สอนคนตายแล้วสอนไม่ได้เพราะวิญญาณมาอยู่ในที่นั้น ในนณะทำคาสอนของพุทธศาสนาจะมีมากแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันก็ตามก็ย่อนลงมาค้าใจเลยเป็นเอการณีบาตเลยแปลว่าหนึ่งบทของใจจะมากก็มากออกไปจากใจจะน้อยก็น้อยลงมาค้าใจทําดีก็ดีขึ้นที่ใจบวกที่ใจทําชั่วก็เหมือนกันก็จะบวกอยู่ที่ใจถ้าดีมีชั่วมีบาปก็ต้องมีบุญก็ต้องมีถ้าดีชั่วไม่มีบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มี แต่พระพุทธศาสนาบัญญัติบาบุญถูกและที่อื่นบัญญัติบาบุญไม่ค่อยถูกสิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาปก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้ไม่เหมือนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบัญญัติบริบูรณ์ทั้งมนุษย์สมบัติด้วยทั้งสวรรค์สมบัติด้วยทั้งพรหมสมบัติด้วยทั้งพระนิพพานสมบัติด้วย จึงยืนยันว่าสัตธังสัพพยันชานังเจวะรปริปุณังปริสุทธ์ทางพรมมจจียังปกาเสสิบริบูรณ์แล้วทั้งอัฏฐ์ทั้งพยัญชนะเราจึงยอมกราบไหว้ธมหังพุทธังธรรมังสังขังอภิปุษฏิยามิตรมหังพุทธังธรรมังสังขังศีรัสานามิไม่ได้ยอมกราบไหว้แบบโง่ๆแบบหลงๆเลยคําสอนใดๆในใจโลกธาตุไม่เหมือนคําสอนในพุทธศาสนา คำสอนในพุทธศาสนาเป็นคำสอนตายตัวเลยไม่มีที่แก้พระพุทธเจ้าจะมากี่ล้า น, านก็มาเป็นพอรอบเดียวออันกันมาแสดงธรรมาจา ก, กรัปรวัตนนสูตรก่อนเพื่อนพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็ดียกชาติพิทุขาขึ้นชารามานนยมยกการปฏิบัติขึ้นยกนิโรธขึ้นยกทุกยกสูมไทยยกมักยกนิโรธขึ้นแสดงครบแปมืสีพระธรรมขันอยู่ในตัว มักก็คือมักแปลกมัมีทั้งใจเชื้อารวมอยู่ที่นั่นด้วยราชาชิกศรีราชาทิศเศษสามอนันยศสองเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็อันเดียวกันไม่ได้ลบร่างพรลบบกันเหตุฉะนั้นจึงว่าพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาประจําโลกใครจะนับถือหรือไม่นับถือก็าตามไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่เชื่อคุณของพระพุทธประธรรมประสงค์ก็มีอยู่ไม่มีประมาณจึงยืนยันว่าอภมาโนพุทโธธรรมโมสังโฆ คุณในใจโลกธาตุนับในใจโลกธาตุนับได้นับคุณว่าพุทธธรรมประสงค์นับไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงว่าอภมาน โ, นโอพุทโธอภมาณโอธโมอภมาโอสังโกไม่มีประมาณผู้มีปัญญาน้อยก็เห็นน้อยผู้มีปัญญามากก็เห็นมากจะย่นลงมาเป็นหนึ่งก็หาที่วางไม่ได้ย่นลงมาเป็นหนึ่งเป็นเอกะคุณก็หาที่วางไม่ได้มีอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยใครจะนับถือหรือไม่นับถือไม้เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อนะไม่มีประมาณทำายเกิดฝ่ายดับก็ไม่มีประมาณทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีประมาณทำแปลว่าทรงอยู่ทรงไม่ซึ่งโลกีก็เป็นทำโลกีทรงไม่ซึ่งโลกุตระก็เป็นทำโลกุตระทำโลกุตระนับแต่สุขิจ้าพนโอเป็นต้นไปก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาดอกบัวสี่เหลวก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยของโลก พระบรมศาสนามาตัสรุในวัฏสงสารแต่ละองค์แต่ละองค์แม่จะได้เพียงเขาโคกว่าตามส่วนค้นโคไม่ได้ <c oughs> ก็ฝากไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเอกทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาของโลกเลยผู้เลื่อมใสนะพุทธศาสนาเป็นผู้มีจิตสูงใจสูงสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้ไม่เลื่อมใสนะพุทธศาสนาก็บารมียังอ่อนอยู่นะ ยังเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้าย่อมเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าเ ช, ชื้ไหไข่ซัเพราะหลายบางทีบางทีก็โผล่ขึ้นบ้างบางทีก็มาถึงกับบานบางทีก็ไม่บานพวกที่ดอกบัวตูมพวกที่ดอกบัวกําลังจะบาลหรือกําลังบาลพวกนั้นพ้นมาแล้วเหมือนพวกที่ภาวนาหวังเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏสงสารบางท่านก็บอกว่าถ้าภาวนาดีก็ต้องเห็นนระกสิต้องเห็นสวรรค์สิ วันน <unlucky. S 2> right. ั everything. Everything. ้นโลกเขาเห็นแล้วเทวโลกเขาก็เห็นแล้วพุทธโลกเขาก็เห็นแล้วผู้ที่สร้างบารมีแก่กลาเพราะจะได้อำนาจอนิจังเกิดขึ้นแล้วแปลปวนันแตกสลายจิตของเขาดิ่งถึงพระนิพพานแล้วเพราะสร้างบได้มีแก่กลาเขาก็ปฏิเสธมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติจ้ะนั่นไม่ใช่เขาไม่เห็นพวกที่เกียรกล้ามาแล้วแพลบเดียวก็เห็นเลยครบไตโลกรธาตุเห็นอนิจังคณะเดียวก็ครบไตโลกรธาตุเลยเห็นทุกคณะเดียวก็ครบไตโลกรธาตุเลย จึงจิตจึงยินดีดิ่งลงใส่พระเนผานนั่นไม่มีปัญหามากผู้ยังปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติดูก็ปัญหาก็ยังมากผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานปัญหามากไป ม, มีประมาณอีกด้วยจะให้อยู่ระดับเดียวกันไม่ได้เพราะกรรมมุกนาวัตติโลกสัโลกก็เป็นไปตามกรรมกรรมมีอานาจมากกรในทางฝ่ายโลกุตระ ก็นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปเป็นโลกุตระกรรมเป็นโลกุตระเหตุเป็นโลกุตระผลเหตุกับผลโยงกันอยู่ไม่ใช่เหตุอยู่ที่หนึ่งผลอยู่ที่หนึ่งเหตุอยู่ที่ใดผลก็อยู่นที่นั่นเองเหตุก็คือเหตุใจผลก็คือผลใจเหตุใจสร้างขึ้นที่ใดผลของใจก็อยู่ที่นั้นเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจ เหตุ <H ate> ไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุ <H ate> กับผลไม่อยู่ห่าง ก, กันพอเก้าเหตุจัดเข้าในมัดในพืชได้ผลของเหตุผลของพืชผลของมักก็จัดเข้ากันได้ส่วนจะไปทางดีหรือทางขั่วเป็นอีกเรื่องหนึง่งทาคำสอนแต่ละวรรบาตส่งต่อพระพานได้หมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านณโมตัวเดียวส่งต่อพระญานได้หมด นโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมในพระสวดาบาลนอบน้อมในชักทาคามีนอบนอมในอนาคามีนอบนอมในพระรหันต์นอบนอมในพระปัจเจกนอบนอมในพระสมานสัพพธเจ้านอมนอมในธรรมอันไม่ตายนะพรหันต์ัำพวกเดียวเรียนนโมจบเพราะนอบนอมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารพระสวดาบาลเรียนนโมเบื้องต้นรู้จักทางไปไม่หลง พระได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนโมพระสัทวันเป็นนโมกุตระนโมต็มก่านั้นลงมาเป็นนโมเลขนโมผานโมวัดนโมเบอร์นัโมเลขนโมผานโมวัดนโมเบอร์นโมเลิกดียามดีสารพัดวัดเบี่ยงเป็นนโมโลกีไม่ใช่นโมกุตระนโมกุตระก็นับแต่พระสัทวันเป็นต้นไปไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากกัดล่วงอบายมุก ไม่เสียดายอยากกระลิกถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากกระถือศาธรารณอื่นนั่นภูมิพระโสดาบันเรียกได้ดวงตาเห็นทำทําไมจึงไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสินะเพราะเห็นว่ามันมีแต่เวรไทยเห็นชัดแล้วไม่มีประโยชน์เลยทําไมจึงไม่เสียดายอยากล่วงอบายจำุกเพราะเห็นว่าเป็นมนุษย์ริบัติเต็มภูมิแล้วไม่มีศาลอุทธรณ์นะั่นอบายจำุกถ้าล่วงละเมิดเป็นมนุษย์ริบัติ ถ้าไม่ร่วงก็เป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิเหมือนกันเมื่อเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติเต็มภูมิก็เป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิก็เป็นพรหมสมบัติเต็มภูมิก็เป็นนิพพานสมบัติเต็มภูมิอยู่ในตัวเพราะเป็นโทระเลขสายเดียวกันนั่นถ้าเป็นมนุษย์นิบัติแล้วก็เป็นสวรรค์นิบัติก็เป็นพรหมนิบัติก็เป็นพระนิพพานนิบัติอยู่ในตัวนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูด ใครอยากถึงพระสรวันก็เอาซะอย่าไปเสียดายเล่นเอย่าเสียดายเล่นอบายยมุกอย่าไปเสียดายล่วงละเมิดเสี้นห้าอย่าไปเสียดายจองเวรกับท่านผู้ใดนั่นแหละภูมิพระสวัสดิ a จะภาพนายเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ตามไม่กินข้าวกินปลานั่งในเจ็ดวันเ็ดคืนจึงออกมาก็ตามถ้าเสียดายล่วงละเมิดเสี้นห้าอยู่ถ้าเสียดายอยากกระถือศาสดาอื่นอยู่ ถ้าเสียดายอยากจะขอดอวยขอไัยกับท่านผู้ใดอยู่ถ้าเสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีอยู่ถ้าเสียดายอยากจะค่าขายมนุษย์ค่าขายเครื่องปะหารค่าขายมนุษย์ค่าขายจัดเป็นเนื้อสัตว์เทศตัวข้าเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษถ้าเสียดายอยู่ก็เรียกว่าไม่ใช่พระโสดาบันเป็นโลกี เป็นโลกียาสีลเป็นโลกียาสมาธิเป็นโลกีญาปัญญาพระบระมศาสด า, า, าไม่ได้นับเข้าพวกว่าเป็นพรหมจันทร์เบื้องต้นพรหมจันท์เบื้องต้นก็คือพระสวสดาบาลเท่านั้นเมื่อถึงพระสวสดาบันแล้วสักตาคามีนาคามีพันธ์ก็เปิดประตูไปเองในตัวเดินลุดหน้าไม่เหลียวซ้ายเลขวาหาประตูไม่ถอบไม่ถอยหลังเลยภูมิของพระสวสดาบัลไม่สงสัย ไม่สงสัยในศาสนาใดๆกัเหนือศาสนาพุทธไปเหตุแค่นั้นจิตจึงดิ่งลงในไตรสนาคมไม่ถอนแผ่นดินณนะ้สสาส อ, สองแสนสี่นกสองแสนี่หมื่นโลดเขาเอารูปวระเมิดปรมานูทําลายแตกคิตใจพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีใครจะมาทําลายแตกเลยนัดนัดนัดทำคำสอนของพุทธศาสนามีนิดเดียวไม่ได้มีมากที่มีมากก็พระโวหารโวหารก็ให้หานลงมาหาใจ เทศอยู่ 45, สี่สิบห้าพรรษาก็บัญญัติเทศคนนั้นอยู่ที่นั้นเทศคนนี้อยู่ที่นี้ด้วยทำอันนั้นด้วยทำอันนี้อ้ายที่แ ท, ท้ก็มีความหมายอันเดียวกันหวังให้ถึงพระโสดาบันหวังให้ถึงสัคขาคารีหวังให้ถึงพระอนาคามีหวังให้ถึงพระอรหันต์เท่านั้นความเทศของพ ร, พระพุทธศาสนาะไม่ได้หวังอันอื่นไม่ได้หวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติอะไรนั่นแต่เมื่อคิตใจเขาไม่ไปถึงมันข้างตัวเองมันวัดสังคม วัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอ น, นิจจังพระโสดาบันให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เพื่อพ้นทุกข์ในวตาสงสารเท่านั้นไม่ใช่เพื่ออัอื่นนั่นมีความประสงค์อันเดียวเท่านั้นความประสงค์ก็ดีเจตนาก็ดีความต้องการก็ดีคิวก็ดีมีความหมายอันเดียวกันใครจะพาลบอะไรก็พาลบซะเดีย่ยวนี้วันนี้เทศวันยังขับวันนี้ยออนคอยจะแตกวันนี้เดี๋ยวนี พวกหนึ่งมาพวกหนึ่งมาพวกหนึงมาตะพื้นตะพื้นพระเป็นวันของสมเด็จพระบรมราชินีนาบุญมันเป็นตัวยังไงก็เป็นตัวอย่างนั้นแหละบุญบุญทางทางสถาบันพระพุทธศาสนาะสถาบันพระพุทธศาสนาะกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันชาติกรมกลืนกันมาอยู่ทุกๆุกพระองค์เลยจะเว้นไม่ได้ เหตุฉะนั้นในพระสูตรพระเวไนยจึงมีรายชาโนราชาโนราชาโน อ, อยู่ทุกสูตรชิคคาบทที่เกี่ยวกับพระบรมราชาก็มีมากเช่นวิสุขามซีมาถ้าพระบรมราชาไม่สรงพระอนุญาตก็เป็นวิสุรามซีมาไม่ได้ถ้าเป็นวิสุรามซีมาไม่ได้ก็เป็นพัทธซีมาไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นเหตุฉะนั้นในชิคคาบททุกชิคคาบทเกี่ยวพระบรมราชามีมาก พื่อสุม่มได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินอยู่กับพระมันเทพรีต้องไปจนะตีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่พระพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยสถาบันกษัตริย์อาศัยอาศัยสถาบันชาติเหมือนกันเช่นพระบรมศาสดาตัดชรุ่แล้วก็ไปอาศัยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ สมาทานไว้เพราะบวชพระบรมศาสดาทรงอุปสมบทใหม่ๆทรงบวชใหม่ๆแล้วก็ไปพบไปเจอพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าชาติพระพุทธเจ้าสําเร็จพระพุทธเจ้าแล้วจงมาแวดแควลนของข้าพระเจ้าขอข้าพระเจ้าได้เข้าไปนั่งใกล้ขอข้าพระเจ้าจงได้รับฟังทำขอพระเจ้าจงได้เข้าใจทำความหมายของพระองค์เจ้าด้วยขังพุทธการพระบรมราชาทุกพระบรมราชา เป็นศาสนาพุทธเป็นส่วนมากเช่นประเซนต์พระพุทธเศษชิโกศลเป็นต้นหรือพระเจ้าพิมภิสารเป็นต้นหรือกุงกุลุราชเป็นต้นหรือกุงกบิณฑพัฒน์เนปาลเป็นต้นอังคะมัคคะกาศีโกศละวัตชีมณระเกตีวังสกุุกปัญจระมัชชะสุรเส อ, อาชกะอวันตีคันธาระกัมโพชะจำพวกเหล่านี้ถือศาสนาพุทธทั้งนั้นนั่นส ก, กโกริยะภคะวิเทหะอังคุตราปะ พระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระสถาบันชาติก็กลมกลืนกันไปเว้นไม่ได้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งการปกครองของโลกการปกครองของโลกทําไม่ไปมองดูพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเหลือเก้นไปไม่รอดนับถิบไม่รุกทําเป็นโรคบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปเท่านั้นความกลัวต่อบาปเท่านั้นเี่ดิความละอายต่อบาป โอตปะจะรุงกลัวต่อบาปทำสองประการนี้มีอยู่ในหัวใจของมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายจึงจะปกครองกันอยู่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วกฎหมายกดหมู่กดทักกดพวกหรือกดอะไรก็อะไรก็ตามก็ตั้งมาอยู่พระไม่มีอู่ของธทำนําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทําความชั่วยในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับแต่มันไม่ไปทําในที่รับเสียแล้วมันทําในที่แจ้งเลยทุกวันนี่นั่นเพราะอะไรเพราะมันไม่กลัวบาป สิ่งที่ไม่กลัวบาปก็เลยล่วงแล้วเมื่ชิ้นห้านั่นมันไปจากสองข้อทําป็โกก้โรคกระบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ทนะ่านไม่ได้บอกว่าลรกระเบิดปรมาณูลูกระเบิด น, นิวเคลีย์พระบรมศาสด า, า, า, ามันได้สอนอย่างนั้นนั่นจริงไหมลนะ่ะนั่นจริงเพ่งทีเดียวไม่พูดอีกก็จริงอีกใครจะเชื่อแล้วไม่เชื่อไม่เป็นปัญหาจริงอยู่ไม่มีคำวันคืนนั่นนั่นนันเดี๋ยวมีไฟไหมล่ะมีไฟไหมล่ะเพะื่อน ไปอะไรพระพุทธศาสนาเมื่อไม่สงสัยพระพุทบพบธศาสนาการเคารพพระพุทธศาสนาก็ไม่ลําบากเมื่อสงสัยพระพุทธศาสนาการเคารพพระพุทธศาสนาก็ลาบากแม้จะยกมือขึ้นไหวพระพุทธศาส์ก็มือก็จะขาดเพราะมันหนักเพราะมันสงสัยถูกไหมจะว่าพุทโธก็ไม่ยินดีจะว่าพระเสียเปรียบเสียเปียบพระกิเลสมันเสียเปรียบพระกิเลสมันใช่หันกว่าหัน กำลังนันหน้าเดินมันบอกได้แล้วกิเลสมันกล่อมได้แล้วทำไมจึงอาบนา้ำเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าร่างกายมันสกรปรกทาไมจึงปฏิบัติธรรมะเพราะจิตมันสกรปรกนั่นยิดสกรปรกไม่มีอันไดจะล่างจะเอาน้ำล่างไม่ถูกต้องเอาทานวัตศีวัตภาวนาวัตอันมาจากพระพุทธศาสนานั่น พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของมนุษย์นั่นเองบางคนก็บอกว่าลูกปู่ลูกปู่ไล่ผีให้ด้วยเขาว่าอย่างนั้นไล่ผีให้ด้วยเออผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดเราก็พูดอย่างนั้นไล่ผีก็ไล่ออกจากหัวใจนั่นเองหาพระพุทธประธรรมประสงค์ก็หาอยู่ที่ใจถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่นั้นถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่นั้นเพราะใจเป็นพวกเขารก ทำไมจึงยินดีในคําสอนพระพุทธศาสนาเพราะคําสอนพระพุทธศาสนาเหนือโลกไม่สงสัยว่าอยู่ใต้อํานาจของโลกเหนือโลกทุกยุคทุ ก, ทกสมัยทุกกา ร, ท, กการทุกเวลากรรมและผลของกรรมพระพุทธศาสนายึดมาไว้แล้วมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วมาเป็นสารอายการมาเป็นสารไต่สวนมาเป็นสารตัดสินอยู่ในตัวแล้ว เธอจะเบียดเที่วสักเพียงไหนก็ตามกรรมและผลของกรรมไม่จบกเกษียณเลยจะตามเธอไปจนถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานเช่นพระบรมศาสด า, ศ า, ศาเพียงไปวางยาเขาผิดเท่านั้นผลของกรรมนั้นยังตามให้องค์ท่านได้บรรดาชั้นหมูงงว่นของนายจุนทะกรมานบุรอยู่แม้พระโมคคลาเ็เหมือนกันผลของกรรม ที่ทําแก่พระมารดาก็ตามถึงอยู่เป็นพระรหารแล้วแต่ก็ถึงแต่ขันห้าไม่ได้ถึงใจของท่านเพราะท่านทอดทุระขันห้าแล้วไม่ถึงธรรมะของท่านธรรมะของท่านเหนือขันห้าไปแล้วธรรมะของท่านเป็นพระเนพานทำแล้วคือสอุปาทิเสสเนพานและอนุปาทิเสตเนปา น, านเวียนไพ่ตามไม่ถึงพระเนพานตามถึงแต่ขันห้าเท่านั้น ตามถึงแต่รูปขันนามขันเท่านั้นพระเนพานไม่ตามไม่ถึงใช่แล้วเมื่อจิตเข้าสู่เมื่อจิตเป็นพระอรหันต์แล้วเวียนไัยก็ตามไม่ถึงตามถึงแต่ขันห้ายกปฐา horn เหมือนพวกเราทิ้งแล้วผ้าขาดเสื้อขาดเราทิ้งแล้วที่เขาโกรธให้เราเขาไปเขาผ้าเผาเสื้อเราแล้วก็ไม่ได้รอดเพราะเราทิ้งแล้วขันในกดก็ดีขันห้าพระอรหันต์ท่านทิ้งแล้ว เป็นขันห้าล้วนๆไม่มีกิเลสไปสิงก็ไปเจอแต่ขันห้าท่านไม่ไปเจอพระนิพานของท่านใช่เพราะเวรภัยทั้งหลายตามถึงแต่ในโลกไม่ตามถึงพระนิพลใช่ไเมื่อจิตถึงพระนิพานแล้วเวรภัยทั้งหลายก็ตามไม่ถึงเป็นอาโหสถกรรมกรรมให้ผลสําเร็จแล้วผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้ไม่เชื่อรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง ผู้ไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือไม่เคารพตนนั่นเองก็คือไม่เคารพใจนั่นเองผู้ไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือผู้ไม่ปฏิบัติ จ, จิตใจกายวายากาของตนนั่นเองเป็นผู้ปล่อยทิ้งเองนเป็นผู้ไม่เห็นดวงใจดวงธรรมอยู่ที่กายวาจายใจและคําสอนของพระองค์นั่นเองนะเพราะเราเคยตกเบ็ดปลาไหลพจน ก, ก, กรรมอันนั้นละมา ที่นี่ไปตรวจโลกแต่ไม่นอนข้างคืนเขาก็สายายางยัดลงนี่ลงนี่เหมือนเหมือนปลาไหลกินเม็ดนนัเองลงมาถึงที่นี่ลงมาถึงที่นี่อยู่ชั่วโมงหนึ่งมันไปออกจอเออสามห้หาเมตรก็นึกถึงเวนปลาไหลตัวนั้นเองที่เราไปดักเบ็ดไว้ปลาไหลถูกธรรมดาปลาไหลมันกืน ล, ลงท้องต้องะแวกเอานั่นเอาเวนปลาไหลตัวนั้นละ โรกอันนี้ตวเวนนกเขาทองไปยิงนกเขาทองอายุสิบห้าปีเอากล้องเป่าไปยิงปับ๊บเขานี่ถูกหัวใจมันเนี่ยลึกขนาดนี้ตกก็แก๊กก็แก๊กอมากรถอดรูล ก, กล้องเป่าออกมันก็บอกว่าก็โกก็โกสองคาเลยตายมึงเถึงเมอถมันจะว่ายอย่างนั้นแหละพอมาถึงสีห้าปีหลังนปวดนี่ เกือบตายเกือบไปโรงพยาบาลคอนแกนไม่ทันก็เวนนกเขาตัวนั่นเองนั่นทำได้ใครก่อนทำได้ใครก่อนเราเองก่อขึ้นนั่นเราเองก่อขึ้นสิ่งที่ดีเราทําก็เห็นในชาตินี้สิ่งที่ชั่วเราทําก็เห็นในชาตินี้ถ้าว่าเราตายไปแค่แล้วเราก็ไม่รู้ล่ะ เพราะเรามีอายุยืนอยู่เราก็รู้สิ่งที่ดีที่ทำไหวก็เห็นในชาตินี้สิ่งที่คู่อทํามไห้ก็เห็นในชาตินี้ น, น, น, นั่นมันไม่จบกเกษียณมันตามเราไปอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าสู่พระยพานไปเสียชาตินี้มันก็เป็นการแล้วกันถ้าเราไม่เข้าสู่พระิพานไปในชาตินี้ชาติหน้ามันก็จะตามเราอีกอยู่เหมือนกันนั่นนนน่นนนนั่ น, น, น, น, น บางท่านบอกว่าเดชฉันภาวนาข้ามเวทนาไม่ได้จะทํายังไงหลวงปู่เออถ้าสําคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามไม่ได้ถ้าไม่สําคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามอยู่ณที่นั้นเองจิตเดชฉันไม่ค่อยว่างจะทํายังไงมันจึงจะว่าถ้าสําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่า ถ้าไม่สําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ว่างอยู่เนะที่นั้นเองไม่ต้องทํากิริยาพูดถึงเวรกรรมมียังเกี่ยวกเวรกรรมเชื่อไหมเราเชื่อกรรมเราพึ่งของกรรมเชื่อถ้าเชื่อเราก็หมดเรื่องถ้าเชื่อเราก็หมดเรื่องเชื่อกรรมเราพึ่งของกรรมถ้าเชื่อแล้วกรรมไหนไม่ดีมันก็จะไม่ทํามันจะพยายามแต่ทําแต่กรรมดีโรคคือศัก สรารพยาธิไปใกล้ไม่อย่างเดียโรคคือมูสัตวไม่มีใครเป็นใหญ่จําจะได้ทิ้งซากไว้ในแผ่นดินโรคคือมูสัตว์หกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นถาดแห่งตัณหารูปะตัณหาสัทธตัณหากันฑะตัณหาราษะตัณหาผลตภาพตัณหาธรรมะตัณหาทะเยอทยานในรูปทะเยอทยานในเสียง ถ้าเยอทยานในกลิ่นถ้าเยอทยานในรถถ้าเยอทยานในโพธพระถ้าเยอทยานในธรร ม, มารุมทั้งหลายวนเวียนอยู่อย่างนี้ส่วนพร ะ, ะเจ้าท่านพ้นไปแล้วเอาซะหนังสือทีนี่จะคบกันซะกของใครเข้ามันใส่กระเป๋าใครกระเป๋ามันไว้พระโลกจมไปด้วยอันนี้จังเห็นทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกจะไปด้วยทุก เห็นอนัตตาสิ่งจะไม่เคลื่อนตัวไม่ใช่ตัวตนคณะเจีหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเมื่อโลกเห็นชัดแล้วลูกไม้ของโลกก็ไม่ต้องสงสัยจึดก็ยินดีดิ่งในพระนิพพานเลยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติอยู่แต่อำนาจอันการเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแล้วแตกสลายก็ยินดีในพระนิพพานสมบัติดิ่งอันเดียวนั่นถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามความสงสัยได้นั่น พุโทโธคำเดียวก็ค้อแปดเบื้องสีพระธรรมขันธ์พโยงถึงธรรมโมสังโขอยู่ในตัวกําปั้นตีดินก็ถูทั้งอเมริกาและรัสเซียด้วยเพราะเป็นธาตุดินก็ทั่วทั้งไตโรโลกธาตุเพราะไตโรโลกธาตุมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมฮะพูดดังๆด้ดดดวยไม่ได้ไม่ได้ยินฟังอะไร โรคในปัจจุบันโรคชร า, าเป็นหัวจากขเขาฟังทุกคนมีทุกคนรโรคชร า, า, า, าเว้นไม่ได้โรคชราเว้นไม่ได้โรคอันอื่นมันก็ด้วยผลกรรมที่เราทำามหดีต่ชาติก่อ น, อนโรคชร า, าเว้นไม่ได้มีอยู่ทุกตัวท่านทุกคนเว้นไม่ได้โรคชรา โรคอันอื่นเป็นด้วยบุพกรรมที่เราทําแต่ชาติก่อนโรคชืาก็เป็นด้วยบุพกรรมที่เรามาเกิดอีกเหมือนกันถ้าเราไม่เกิดก็ไม่มีโรคชาืาถูกไหมถ้าเราเข้าสู่พ ร, พระ涅槃ไปแล้วโรคชืาก็ไม่มีใช่ไหมโรคชืาอเป็นใครเปเนื่อสร้างขึ้นก็เราเป็นผู้สร้างขึ้นถ้าเราเข้าสู่พระ涅槃แล้วไม่มาเกิดอีกโรคชราจะมาจากประตูไหนนั่น<笑>ถูกไหมโรคหัวใจเพราะเราเบียดเบียนสัตว์ เราไปยิงนกเขาให้ถูกหัวใจมันก็บันดาลมาตามมาหาเราพูดเรื่องพูดของโรค ก, ก็พูดตามธรรมดาไม่ได้พูดให้ลูกหลานดักไก่เพราะมีหมอรักษาแล้วไม่ต้องหรอกพอศีนักเรียนเขารักษาแล้วพูดตามธรรมดาเฉยๆไม่ได้พูดหาอบาให้ลูกหลานหายามาให้เออ อืมเอออันนั้นพูดเราพูดเอาอ <laughs> ันนั้นฮะอะไรอะไรฟังเออเข้าใจเข้าใจนักปู่บาก็แต่ชาติก่อนท่านไม่ได้เบียดเบียนสัตว์เรามันเบียดเบียนสัตว์มากอ่ะ เราเป็นคนชาวนาะทีนี่ไอ้ปลาตัวเล็กๆขนาดนี้มันนับเป็นหมื่นๆนี่เราเป็นคนชาวนาะปลาตัวเล็กขนาดนี้นับเป็นหมื่นเลยนะแต่อยู่ขราวาดบาปกรรมอนไรละตามเราอเร า, า, เราเปูเาเาเกเตรียมตัวตายแล้วทุกวันเนีไง เวลาตายหลวงปู <pine> ่ก i̇şte ็จะตายพอมกลมให้ใจเข้าออกเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักวาเห็นพ่อมกลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ตายคาแน่นอนหลวงปู่ไม่ต้องพูดอันอื่นเลยเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักวาเห็นพ้อมกลมให้ใจเข้าออกก็เว้นไาวแต่ไม่ได้สตินึกไปในอนาคตก็ละอานึกไปในอดีตที่ล่วงมาก็ละอาเคหลาบเรียนเวชาเดหลาบนวตาทงสาะ มองดูไปข้างหน้าก็ละอาเหมือนกันมองดูในปัจจุบันก็ละอาเหมือนกันเอาปัจจุบันเป็นพยานอดีตคือนิทานของปัจจุบันที่ล่วงมาแล้วอนาคตคือนิทานของปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงอดีตคือโลกอดีตที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือโลกอนาคตที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือโลกปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่รวมทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วย ปัจจุปนันจะโยธรรมังผู้ใดเห็นปัจจุบันเชื่อในปัจจุบันเดินมักในปัจจุบันผู้นดแม้ของง่ายคลอนแขนในทางพุทธศาสนาเลยพระบรมศาสดาเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่สําคัญตัวอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยเหตุฉะนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีในณที่ใดๆด้วยพระบรมศาสดา เรารู้สมมุติตามเป็นจริงของสมมุติเรารู้วิมุตต์ตามเป็นจริงของวิมุตต์เราไม่สําคัญตัวว่าเราเป็นวิมุตต์เราก็ไม่สําคัญว่ามิมุตต์เป็นเราเราก็ไม่สําคัญตัวว่าเราเป็นสมมุติเราก็ไม่สําคัญว่าสมมุติเป็นเราวิญญาณปฏิสนทธิี่ของเราก็ไม่ติดอยู่ในสมมติและวิมุตต์พรโรมสารนาเรารู้ศูนย์ตามเป็นจริงของศูนย์แต่เราไม่สําคัญว่าเราเป็นศูนย์และไม่สําคัญว่าศูนย์เป็นเราเมื่อเราไม่สําคัญว่าเราเป็นศูนย์ศูนย์เป็นเราแล้ววิญญาณปฏิสนธิที่ของเราก็ไม่มีพระบรมสาร พูดชัดพระบรมศาสดาฟังชัดไม่สงสัยด้วยสติปัฏฐานสี่มีกายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายเวทนาจิตธรรมลงสู่อนัตตาเหมือนกันกายก็เป็นสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายกานุปัฏนาพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์เราไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่า เวทนานี้กว่าสักวเวทานาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุกกัญนาเท่านั้นพริกยกนนาใจที่เศร้าหมองนึงผ่องแพวเป็นอารมณ์ว่า ใจนี่ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตานุพัฏนาเท่านั้นทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี่ก็สัคว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุพัฏนาเท่านั้นโดยใจความกัพิจารณากายเวทนาจิตทำลงสู่อนัตตานี่เรียวกว่าสติปัฏฐานสี่ยงย่นสติปัฏฐานสี่ลงเป็นสองกายเวทนาจิตย่นลงเป็นลูกขัน ทำย่นลงเป็นนามขันจงย่นอายตนะภายในภายนอกทั้งหกย่นลดลงในขันห้าย่นลงในรูปนามตาหูจมูกเล่นกายย่นในย่นลงในรูปขันใจย่นลงในน้ำขันเกิดขึ้นแล้วแปลว่า้แต่ทลายพิจารณาลงถูงอนัตตาสะปพระบรมศาลา นึกทั้งหลายจ้าวันผู้รู้จักตาตาไม่ใช่ตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนเสียงไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนลิ้นไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนรูปเสียงกลิ่นรสผลปัะภะธรรมารมก็เป็นแต่สักว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลประภธรรมารมไม่ใช่ตัวตนเนิ่พระบรมสารีเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงซักเมื่อเธอทั้งหลายรู้ตามเป็นจริงแล้วปัญญาของพวกเธอทั้งหลายก็จะแข็งแกร่ง ว่าความหลงของตนความหลงของตนก็จะแสดงปาฏิหารไม่ได้เจ้าก็จะข้ามทะเลหลงของตนไปสักแต่ก็อาศัยปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาแต่ก็ไม่ให้ติดอยู่ในปัจจุบันใครรู้เบื้องบนคืออนาคตใครรู้เบื้องต่ําคืออดีต ใครรู้เบื้องกลางคือปัจจุบันผู้นั้นไม่ติดอยู่ในทั้งเบื้องบนเบื้องกลางเบื้องต่ำด้วยผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้วพระบรมศาสดานั่นอดีตอนาคตปัจจุบันคืออะไรก็คือปลาตัวเดียวนั่นเองแต่ทางหัวไม่กินทางหางก็ไม่กินไปกินที่ตรงพูงของมันเอาตรงพูงของมันเป็นตัวศีลสมที่ปัญญาเมื่อรู้ชัดแล้วก็ทิ้งทั้ง อดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วยไม่ติดอยู่ในอนาคตด้วยแต่อาศัายปัจจุบันเป็นมรรคเป็นผลเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นปัจจุปันนังไจโยธรรมังเห็นธรรมในปัจจุบันเห็นตามเป็จริงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงด้วยไม่สําคัญว่าตนเป็นธรรมไม่สําคัญว่าธรรมเป็นตน <S <S ไม่สมําคัญว่าตนเป็นศูนย์ไม่สําคัญว่าศูนย์เป็นตน ไม่สำคัญว่าอดีตอนาคตเป็นตนตนเป็นอดีตอนาค ต, ต น, นั้นเป็นไปตามสมมติสมมุติก็จริงตามสมมติจะเอาสมมติไปคัดคาดกับเวมุติก็ไม่ถูกอาจะเอาสมมติกับเวมุติไปเป็นสงครามกันก็ไม่ถูกเหมือนกันนั่นตนเป็นสงครามกับความหลงของตนต่างหากส่วนดินน้าไฟลมเขาก็ไม่เป็นสงครามกันแต่ตนไม่รู้เท่าดินน้าไฟลมตนไปเป็นสงครามกับดินน้าไฟลมต่างหากอันเดียวกันนั่น ใครเป็นผู้พูดก็วิจีสังขารกับกิตตสังขารกับกายะสังขารด้วยพอ่อเมรุลมหายใจเข้าออกพระนิพพานไม่ไมายืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดด้วยเรื่องยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดมันเป็นเรื่องของโลกและสังขาร น, นะใครเป็นผู้เห็นและผู้รู้ก็โลกและสังขารผู้เห็นและผู้รู้พระนิพานไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้เห็นไม่ได้ยืนยัน นั่นบางท่านก็บอกว่าจิตของผมพ้นแล้วในอดีตอนาคตก็พ้นแล้วแต่ผมยังติดอยู่ในปัจจุบันผมอาศัยปัจจุบันเป็นเครื่องอยู่เอาหน้าถูกอยู่เดินมัศเดินมัศต้องอาศัยปัจจุบันจิตปัจจุบันทำปัจจุบันผู้จะพ้นเป็นพระสสดาบาลก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันผู้จะพ้นเป็นพระธรรมคามีอนาคามีอรหันต์เป็นขั้นๆก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้น ไม่ใช่คิดอดีตไม่ใช่ทำอดีตไม่ใช่คิดอนาคตไม่ใช่ทำอนาคตแต่เมื่อท่านผู้พ้นไปแล้วไม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนทางสามไม่ได้ติดอยู่ทางปัจจุบันอดีตอนาคตด้วยถ้าหากว่าท่านผู้พ้นแล้วปติดอยู่ในปัจจุบันก็ต้องเป็นเปรตเท่าปัจจุบันอยู่เหมือนคนคุมนักโทษเพราะเกงปัจจุบันมันจะหายไปท่านผู้พ้นไปแล้วถ้าไม่ติดอยู่ในที่ใดท่ทั้งสิ้น ความกลัวแพ้กลัวชนะขององค์ท่านจึงไม่มีเมื่อท่านไม่สำคัญตั ว, วมีท่านก็ไม่สาคัญว่าของท่านไม่มีท่านก็ไม่สำคัญว่าผู้อื่นมีไม่สำคัญว่าของผู้อื่นไม่มีข อ, ของผู้อื่นไม่เองก็เป็นแต่ศักว่าตนสักว่าผู้อื่นตามสมมุติไม่ได้ยืนยันเลยเหฉะนั้นพุทธทาสท่านพูดน่าเลี้วใส่มากตัวกูของกูตัวเขาของเขาสำคัญมาก ถ้าตัวกูไม่มีของกูจะมีมาจากประตูไหนมันก็มีแต่สังขารและกองทุกเท่านั้นพุทธทาสท่านพูดน่าเรื่มใส่เรากระเพาะนาอย่างนั้นเห็นชอบอย่างนั้นด้วยถ้าตัวกูไม่มีของกูก็ไม่มีถ้าตัวกูมีของกูก็มีของผู้อื่นก็มีผู้อื่นก็มีก็กทะเลาะกันท่านพูดอย่างนั้นเพราะท่านน้อมลงสู่อนัตตารมไปซะทําลายอยู่ในตัวแล้ว ทำลายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราว่าผู้อื่นว่าของผู้อื่นพิจารณาสังขารศูนย์ในเงื่อนหนึ่งก็คือเราไม่มีของเราไม่มีมีแต่สังขารละกองทุกพิจารณาสังขารเป็นเงื่อนสองเป็นเงื่อนสี่ผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีมีแต่สังขารละกองทุกนั่นเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีก็คือสังขารศูนย์ในเงื่อนสี่ เราไม่มีของเราไม่มีเราไม่มีของเราจะมายมาจากประตูนไน้นี่สังขารศูนย์ในงันสอง